ตอนนี้ตดสีครึ่งส่วนหนึ่งก็จะนั่งฟังธรรมกันต่ออีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มล่างสารพิษสุขภาพกายชีวิตมีสองส่วนมีกายและมีใจกายก็ต้องกับวลิงกลาหาร อาหารคือคำข้าวใส่เข้าไปขนาดไหนมันยังต้องหิวใส่เข้าไปขนาดไหนมันก็แก่เจ็บตายเจตนี้ต้องมโนสันเจตนาอาหาร <c oughs> ภาษาอาหารวิญญาณอาหารใส่เข้าไปเป็นอาหารของจิตของใจเป็นกุณธรรมอาหารที่เป็นประโยชน์ความรู้สึกตัวมโนสัญเจตนาอาหาร อาหารของจิตของใจเราต้าะขาดเมื่อไหร่มันก็เป็นพิษเป็นภัยทันทีโทษของมันก็คืออบายภูมิลงนรกภูมิต่ำมีแต่ความขัดแย้งสุขไม่มีเลยสุขยากทุกข์ง่ายเราก็เลยมาเรียนรู้ ในการศึกษาใส่ใจลงไปมีสติลงไปดูกายของเราฟังสอกยาวานหนาคืบตั้งแต่หัวจรดเท้ามันคืออะไรกันแน่ตัวชีวิตมันมีจิตใจถ้าแยกกันไม่ได้มันก็อยู่ยาก ตายเน่าเข้าลงไปทั้งสองส่วนกายไปทางใจไปทางตายเน่าเข้าลงคือตายจริงๆ <c oughs> แต่ว่าบางทีมันก็ตายทั้งเป็นก็ได้นะร่างกายนั่งอยู่ที่นีนะ่ก่อนรูปขันนั่งอยู่ที่นี่เลว่านามขันหรือว่าจิตใจ ลองลอยไปอดีตอนาคตแล้วก็กำหนดรู้ไม่ทันเพราะไม่มีสติมายาของความคิดก็ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลมีอำนาจปรุงแต่งจนเกิดก้อนของอารมณ์ ทั้งวันความรู้สึกตัวจะเป็นการศึกษาในพระเป็นวิชาพระพุทธศาสนาจะศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาต้องศึกษาที่ความรู้สึกตัวดูกายก็ต้องเห็นกายดูจิตดูใจก็ต้องเห็นจิตเห็นใจปเป็นตัวปัญญาปัญญาญาน <c oughs> ดู ก, กายก็ต้องเห็นทุกของกายนิจจลนาทุกทุกเนืองนิดอาคารตุกตาทุ ก, ก, ท, กทุกที่เป็นแขกจรไปจรมาบางกลง้งบางคราวมันมีอยู่ถ้าหันมาดูก็ต้องเห็นแต่ออกไปนอกตัวนะ ลืมเนื้อลืมตัวมันก็ไม่เห็นอะไรเห็นนอกตัวกำหนดรู้ด้วยการรู้บางเรื่องแก้ไขไม่ได้กระพริบตาหายใจทําได้แค่กำหนดรู้ด้วยการรู้เป็นทุกข์เกี่ยวข้องแก้ไขป่อนคลายบรรเทาไม่ได้ เป็นธรรมชาติของกายที่ก็แก้ทุกข์ในตัวของเขาเองเราก็หนดรู้ด้วยการรู้ <c oughs> กาหนดรู้ด้วยการผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขหิวข้าวก็ต้องไปกินข้าวเจ็บคอก็บรรเทาเ ย, ย, ยาหาหมอฉีดดมอมทาผาตัดตามอาการของโลก หาวหาผ้ามาหม่มร้อนอาบน้ำเมือ่อยปีกซ้ายปีกขวาขยับแก้ทุกข์ให้เขาผ่อนกายบรร เ, เทากำหนดรู้วยการละทันที mm hmm. ก็คือทุกข์ที่เป็นตัวยตัตสความคิดเกิดขึ้นมานี่ต้องออกทันที จากมาทันทีความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจมันคือเหตุที่ทำให้เราทุกข์ถ้ารู้ไม่ทันดูไม่ทันก็นจะเข้าไปปรุงแต่งกับความคิดจนเกิด e. อาการของโรคจิตโรคประสาทคุ้มดีคุ้มร้ายสับสน งงมันจึงเป็นการศึกษาที่จะต้องได้คำตอบในฐานะที่ได้ชีวิตมาแล้วนะกายฟังโสกยาวานาคืบเป็นมนุษย์สมบัติเอามาเป็นนิพพานสมบัติมีกายมีใจก็เป็นพ่วงแพรนะภายทอไปสู่ฝั่งของพระนิพพาน นิพานคือความเป็นปกติ <Yeah. S 1> มันเป็นจุดสูงสุดของการเข้าถึงระบบการศึกษา mm hmm. ในวิชาอุปสตร์หนาคือศึกษาเรื่องกายใจของเรา mm hmm. กายเราไม่ทุกใจเราไม่ทุกมันที่สุดเรียนจบหยุดการแสวงหามันจึงมีปริญญาปรีโทเอกเหมือนกัน รู้ในการรู้เป็นยาตาปริญญาตีลักษณะปริญญาคือแจกแจงนันคือทุกอะไรพ่อนคลายบัรเทาแก้ไขประหารปริญญาก็คือกาด ร, รู้ในการละทันที ไม่ต้องไปใส่ใจสนใจนะละมาทันทีไม่ต้องเสียเวลาคิดมาไหร่ก็ตามกลับมาทันทีปกติอาการเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ดูเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นปกตินี่เป็นการศึกษาที่นะมีผลทำให้จิตเกิดการพัฒนาขึ้นมามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรม กายของเราก็พัฒนาขึ้นมาคืนสู่ธรรมชาติแก่เจ็บตายไม่ใช่ปัญหา <c oughs> มันพิสูจน์ได้โดยที่ตัวเราเองนั่นแหละพิสูจน์โดยตัวของเราเองอยายคนอื่นมาหลอกมาต้มตุ๋นมันจริงหรือไม่สัจจะมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน มันไม่เว้นหนาวก็หนาวด้วยกั น, กนหายใจก็หายใจออกก้าเย็นเข้าไปได้วยกันต้องกินต้องขับถ่ายเหมือนกันนั่งก็เมื่อยเหมือนกันเห็นก็หลงเพลอเหมือนกันพอมีสติมันก็รู้เหมือนกันพอมารู้จักตัวมันก็รู้เหมือนกันมันคือสัจจะเวลาโกรธก็โกรธเหมือนกันเวลารักก็รักเหมือนกัน อย่างที่นั่งอยู่ น, นี่ก็อย่างน้อยก็สามสัญชาติฝรั่งญี่ปุ่นไทยท่าที่มองเห็นตอนนี้นะเมื่อศึกษากายใจของเราก็เหมือนกันนั่นแหละ สัจจะความจริงแม้กระทั่งสมัยองค์สมเด็จสัมสมาสงเจ้าสองพันปีแล้วยังเป็นตัวเดียวมันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยยังเมื่อคือเราดูฝนระั่งก็มองแง่มุมของอุตสาจากสื่อเราเห็นก็มองเห็นเหมือนกัน การประสูต์ของพระโอรสนะเจ้าชายสิริษฐาก็เหมือนที่เราเรียนตามประวัติศาสตร์พุทธประวัติของพระเจ้าเราเคยได้เรียนกันมาเหมือนๆกันเนะนี่ยนีออกมาเห็นลาหุน่นโอ้เป็นห่วงเป็นบ่วงพานนาการลาหุ่นก็เป็นบ่วงรักลูกมันห่วงผูกคอักแม่พ่อนปอบผูกแขน สมบัติแก้วแหวนเงมืนแววนปูกขารู้แล้วมันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์แน่นอนตัวเราเองก็ตัวเราเองมีขันห้าอยู่แล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมีกายมีใจเราก็ยังไปมีห่วงห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้อ ง, ห, งห่วงลูกห่วงหลานมองเห็นแล้วว่ามันต้องรับผิดชอบ มีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายต้องรับผิดชอบโดยเพราะมีจิตใจเนี่ยมันมันรักมันชงังมันโลภมันโกรธมันหลงไม่แช่คิดนะไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นก็ออกแสวงหาวิจัยมาตั้งคำถามมาแล้วการทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์จะเึงนปลากรดชัดแกรเราได้ ออกวิจัยบำเพ็ญทุกขากิริยานอนเสีย น, นอนหนาหดข้าหอดน้ำท้ายสุดก็ยังไม่ใช่จนเห็นพินสามสายตึงไปมันก็จะขาดหย่อนไปก็จะดังไม่เพราะอ๋อทางสายกลางมชจีมาปฏิปตา <c oughs> ก็มาเริ่มต้นใหมนะ่ทุกมันอยู่ในจิตในใจก็ต้องแก้ที่จิตที่ใจ บำเพ็ญทางจิตก็นั่งตัวตรงดำรงสติให้มั่นแล้วก็อธิษฐานจิตลงไปหลังจากที่จันเ้าของนางสุชาดานำมาถวาย mm hmm. กอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายจนกระทั่งมีความสำเร็จเห็นทุกเกิดขึ้นมาที่จิตที่ใจเห็นความคิดเพลัอนก็มองเหมือนเหมือนกับเราน่ะ ของเรามีการปฏิบัติตรงลงไปนในวัดที่นี่วัดป่าสุโโ ต, โตนแนวหลวงผูทเทีอ น, นถ้าทุกคนอยากศึกษาตัวเองกลับมาเห็นตัวเองแก้ปัญหาที่ตัวเองเจนกทั้งพบทางสว่างก็คือความเป็นปกติของจิตของใจเราหลักการของการปฏิบัติจา ร, ริผล เดินจงกลมเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังอย่างที่เมื่อวันเราได้อ่านพระสูตรกันมันเป็นวิธีปฏิบัติเป็นรูปแบบปฏิบัตินเราก็เดินจับไม้จับมือให้เรียบร้อยนวางกายไกลๆแล้วก็เดินไปตามธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่แหละ <c oughs> วางหน้าวางตาพอดีพอดีไม่เก๊กไม่เก่งไม่เก้อไม่เกิน ไม่กลัวไม่กังวลนะก็เดินไปธรรมดาแต่ว่าเคลื่อนไปรู้สึกเดินกลับไปเดินกลับมานะมีความรู้สึกตัวนะพอรู้ไปเรื่รสติก็ว่องไวไปเรื่อยๆก็เกิดจะมาที่ตั้งมั่นไปเรื่อย ร, รู้เรื่องเดียว แวบคิดไปเอากลับมาเผลอไปทางตาเอากลับมามก็ได้เห็นร่องรอยกันทุกคนนั่นแหละเริ่มต้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีปวดเมื่อยตัวตอนเดินก็ปวดหลังปวดไหล่ปวดหน้าปวดหัวเท้าเดินนะแต่ไปปวดข้างบนเราก็เปลี่ยนมานั่งเคลื่อนไม้เคลื่อนมือ มัาเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของวัดบาลาของวิธีปฏิบัติแนวปฏิบัติก็มาจากพระสูตรตอนนั่งเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะเดินจงกรมมันเมื่อแล้วต้องสังเกตดูตอนนั่งกับมือขายิ่งตอนนี้น้ำหนักกันเยอะๆเก้าสิบถึงร้อยกิโลเนนี้มันมันแบกน้ำหนักตัวเองกดทับลงมาน้ำหนักตัวเอง ข้อท้ามก็พ อ, พอทุกคนนั่นแหละพอนั่งกดทับหลังก็เหมือนๆกันนั่นแหละจะเล็กจะใหญ่มันก็เมื่อยหมดนั่นแหละก็คืออาการของเวทนานะก็แสดงตัวออกมาอาการของกายสัญญาณชีพของกายแสดงตัวออกมาแล้วก็เกี่ยวข้องวิธีการนี้มาดึงการความสงบนะเราก็เลยไปได้นั่งหลับตากันเลืมตา เจนเราเคลื่อนไหวไปกายเคลื่อนไหวใจก็รู้ไปมีสติระลึกรู้ไปรู้เนื้อรู้ตัวก็ทําแล้วทําอีกทําแล้วทำเองเป็นแบบฝึกหัดเป็นการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงมันไม่ใช่เป็นแค่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะบรรลุธรรมขึ้นมามันเป็นครูสอนตัวเอง เราได้ยินเสียงของตัวเองใหม่ๆได้ดินเสียงของตัวเองมันบ่นอยู่ข้างในบองทีมันก็คิดปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆมันก็จะแสดงออกมาเรียกว่าจิตสํานึกจิตใจของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับบัญชีทําอะไรไปมันบันทึกไว้หมดอะทําดีก็บันทึกดีทําไม่ดีมันบันทึกไม่ดีเอาไว้ พอเรากลับมาดูตัวเองก็เห็นใจตัวเองอันนี้เป็นการปฏิบัติแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงของใจของเราเหมือนๆกันเลยฝลังก็คิดญี่ปุ่นก็คิดจีนก็คิดเดลังกาก็คิดไทยก็คิดเหมือนกันแหละตัวเคยทำดีทำไม่ดีมามากบางทีก็ระลึกบุญบางทีมันก็สำนึกบาปเป็นตัวคิดทั้งคู่ เราเป็นนักกรรมฐานเราก็มีปัญญาพอมีความเห็นตรงกลับมาที่การเคลื่อนกันไหวบางทีก็เห็นจิตมันโปร่งโล่งสบายเบาร่นะางกายมีน้าหนักเยอะๆแต่มันก็เบากายรู้ตาจิตตารู้ตามันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะจากที่ปฏิบัติแล้วเริ่ม เห็นอุปสรรคมันก็ผ่านอุปสรรคเริ่มเห็นว่าเออมันเป็นปัญหาเงี้ยมันก็เริ่มเออเป็นปัญญาขึ้นมามันไม่ได้เป็นปัญหามันเป็นแบบประเมินเป็นแบบทดสอบเป็นรูปแบบที่มาวัดจิตวัดใจของเราว่ามีกําลังมากหรือน้อยกําลังของพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพลังของความเป็นปกติ พื้นที่ของจิตใจของเรามันเป็นไปด้วยความปกติหรือว่ามันเต็มไปด้วยสุขสุขทุกๆอารมณ์ที่มันนอนเนื่องอยู่ในกะมลสันดานแล้วมนทินเครื่องเศร้าหมองเราก็จะได้จัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตมันดีขึ้นทุกที่เกิดจากการคิดให้มันทุกยากสุขง่ายหน่อย สุเกษมสารในจิตใจไม่ต้องเปลืองพลังงานนะคิดโดยไม่ได้ตั้งใจในี่เปลืองพลังงานที่สุดเลยนะเหมือนกับมีไฟใช้ไฟแล้วไฟรั่วเหมือนกันนะ่ไฟรุ่วลงดินเสียตังฟรีสมองคิดคิดไม่เป็นระบบไม่เป็นเรื่องไม่มีระเบียบเนะี่เปลืองพลังงานฟรีฟรีหมดคุณค่าเลยชีวิตเนี่ยเหมือนกับมีน้ําน้ํารั่ม จ่ายเงินไปไม่ได้ใช้น้ำเลยความคิดก็เหมือนกันแหละกินอาหารดีๆเข้าไปใช้ชีวิตดีๆเข้าไปนั่งเดินยืนนอนอยู่ในห้องแอร์ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่ท้ายสุดก็ไปคิดอะไรกัน่ไม่ได้ก่อประโยชน์กับสังคมบ้านเมืองกับตัวเองเนจนพลังงานสมองถูกใช้ไปอย่างปุ่มเฟือย ปฏิบัติธรรมแนวจะได้เห็นหนาการเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นทลักทะลวงออกมาให้เราได้เกี่ยวข้องกับมันในว่าทุกขวิยสัจสี่ทุกที่เกิดจากการคิดเมื่อใดก็ตามที่เราหลงเผล่อไปไม่มีสติการสติสมาัญญะไม่เห็นตัวเองมันก็จะไม่เห็นทุกที่เกิดจากการคิดชัดๆก็จึงนี่แหละมานั่งกัน ตัวใครตัวเราเกื้อนมือสร้างจังหวะดูตัวเองเห็นตัวเองเบินจง ก, กรมปนะระกับมาดูตัวเองเห็นตัวเองไม่ๆจะกระโดดไปกระโดดมาประโยคความรู้สึกตัวมันก็ไม่อยู่กับความคิดแต่พอโยกความคิดก็ไม่โยกความรู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยกระโดดไปกระโดดมาอยู่กกายมันจะจมเข้าไปในกาย พออยู่กับความคิดมันก็จะจมกับความคิดอีกกนระะโดดไปกระโดดมาแต่พอทำไปทาไปนะพื้นที่หองความเป็นปกติมเปิดนะเราก็เห็นพื้นที่นะเราก็เห็นแล้วโอ้ความจริงปรากฏเราเคยเผลอหลงเอาความคิดเป็นตัวเรา คิดแล้วโลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงประกอก็เราโกรธโลกก็เราโลกหลงก็เราหลงเนี่ยอ๋อเห็นแล้วนางกิเลสนางตังหานางอรตีเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราดูกันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงพอเรารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี ย, นยนความโลภความโกรธความหลงมันหายไปให้สังเกต นางตัญหาหนางราคะนังอารตีทุกครั้งที่รู้สึกตัวเราสังเกตจิตมันก็ป ก, กติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีความรู้สึกตัวมันก็ไหลเข้าไปเผลอคิดปรุงแต่งไอตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งเนี่ยถ้าหลงเผลอเข้าไปคือกิเลสแต่ถ้าดูมันหยิบมันมาใช้เนี่ยมันเป็นปัญญาพอมีหลงมันยังมีรู้อย่างเงี้ยนะ มันก็เห็นเป็นอาการทันทีเพราะนั้นไปบัตรใหม่ๆเนี่ย <c oughs> มันจะรู้อารมณ์รูปนามภาษาศาสน า, า, าเรียกนี้นะกายของเราเนี่ยเป็นรูปรธรรมมันจะเห็นเป็นรูปรธรรมอารมณ์รูปแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นนามอารมณ์รูปนามพอทําไปทําไปเราจะเห็นความคิดมันเกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่านามรูปนามรูป ตัวคิดเป็นนามแต่เป็นรูปเป็นวัตถุที่เป็นนามธรรมเป็นภายในจิตของเราคิดถึงเมื่อไหร่ก็เหมือนเรื่องกําลังเกิดทันทีเราก็ได้สัมผัสทันทีถ้ามีสติโอเกิดปัญญาทันทีผ่านได้ทันทีก้าวล่วงทันทีไม่ทุกทันทีเป็นวิมุตต์ทันทีวิมุตต์ก็คือไม่มุดไปอยู่ภายใต้อารมณ์ที่มันมาครอบงําวันทั้งวัน อารมณ์ที่ไม่ใช่ปกติสุขสุขทุกทกมันเข้ามาครอบงำทับถมจนให้จิตใจของเรามันลงต่ำเกิดปัญหามากมายกับสังคมอยากเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการะวิชาการต่างๆก็ดีอยู่แต่ยิ่งแก้ปัญหามากทั้ไหราปัญหาใหม่ที่มันลึกและละเอียดลงไปที่แก้ไม่ได้มันก็ตามมาไม่จักหยุดจักระยนไม่จบไม่สิ้น การแก้ปัญหาที่ดีสุดคือกลับมาแก้ที่กายที่ใจของเราเองเรื่องนอกตัวคือหน้าที่ทำหน้าที่ตามที่สมบูรณ์ยัติกำหนดกันไว้เท่านั้นเองแต่แว่าทำงานโดยที่เราไม่ต้องทุกข์แต่มันมีอยู่แก่ไม่ต้องทุกข์เจ็บไม่ต้องทุกข์ตายไม่ต้องทุกข์มันมีอยู่เวลาพัดผ่าจากของรักของชอบใจไม่ต้องทุกข์มันมีอยู่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ทุกข์มันมีอยู่ ไม่จำเป็นจะต้องถูกนะมาให้มาเห็นกันนะวิสัยบัณดิตนะรู้ได้องสมเด็จสมาเจ้าได้ปลาลกนะตอนแรก ว, ว่าธารรมะที่เรารู้แล้วนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดลึกซึ้งประณีตนะไม่ได้รู้ด้วยการคิดการนึกนะไม่ได้รู้ด้วยตักระบัชยาใด แต่ว่าผู้รู้วิสัยบัณฑิตน่ะรู้ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ท้ายสุดจะกว้างขวางอย่างมากจะทําให้เรารู้ตนรู้คนรู้งานของตนของคนของงานเกิดความสาเร็จมากมายขึ้นมาโดยที่เราทํางานทั้งวันแต่ว่าเหมือนไม่ได้ทําอะไรงานใหญ่เราไม่ใหญ่ งานมันใหญ่กว่าเราอย่างเงี้ยแต่ปกติน่เราใหญ่งานไม่มีผลงานอะไรเลยตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้งานมันใหญ่ใหญ่กว่าเป็นไปเพื่อคนหมู่มากไม่ได้เป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นไปเพื่อพวกพ้องบริวารเป็นไปเพื่อคนทุกคนสรรพสัตว์สรสสรพสิ่ง มันก็จึงเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่ครั้งหนึ่งเกิดมาได้เป็นมนุษย์เราได้พบพระวศาสตร์นาได้มีโอกาสที่จะเจริญสติปัฏฐานมันก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัยธรรมที่ควรรู้ควรเห็นสมควรแก่การปฏิบัติถึงตรงนี้แล้วเราก็หายสงสัย พุทธศาสนาสอนเรื่องเรื่องทานศีลภาวนาสอนเรื่องเรื่องสติศีนสมาธิปัญญาชี้ถึงเรื่องมรรคผลนิพพานตรงนี้แหละความรู้สึกตัวจะเป็นกุญแจดอกเอกแ ล, ล้วไขเฉลยจนท้งเราได้คำตอบในตัวเราเป็นคำตอบที่ทุกวิชาในโลกนี้ ศาสตร์ในโลกนี้ทั้งหมดตอบแล้วยังไม่ถึงใจแต่ความรู้สึกตัวเรามันตอบแต่มันถึงจิตถึงใจเราเ mm hmm. นี่ยเรามันจึงเป็นคุณค่าแท้ mm hmm. ที่มนุษย์ทุกๆชีวิตต้องเข้าถึงถ้าหาไม่เข้าถึงแล้วน่าเสียดายมากมันฟ้าน้ำเหลวชีวิตไร้สารละ เวลาเกิดมาร ก, ก, กรรมไม้กรรมมือกรรมมัดกัดฟันร้องหหมร้งองไห้า ย, ยาวจะคลองโลกแต่พอเวลาตายแบ่มือใจไม่ได้อะไรไปเลยคืนสู่ธรรมชาติสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไป สี่คนหามนั่นคือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมพอประชุมไม่พอดีประเดี๋ยวเกิดการแตกดับลมหายไตยสูญไปสี่คนหามสามคนแห่ก็คือค อ, อาการของพระไตรักษ์อันนี้จังทุกขังนักตาแห่อยู่ตลอดเวลาทั้งรูปทำน้ำทำขันห้าทั้งหมดเราก็นก็เป็นเรา มันแห่เราเฉยๆกายมันก็แห่เราเวทนานมันก็แห่เราจิตมันก็แห่เราธรรมชาตเจ้าต่างๆก็แห่เราเราก็นึกว่าเออนั่นแหะมันคือความสุขที่ไหนดนมันลวงโลกหนึ่งคนนั่งแค่คือจิตใจของเรามันอาศัยกายอยู่จิตปัญญาเป็น น, นมามธรรมเราก็ไม่เคยเห็นมัน สองคนพาไปคือบุญกับบาปบุญก็พาไปสู่สุขตินะบาปก็ไปสู่นะทุคติเป็นที่หวังได้เราก็จึงนี่แหละมนะะปึกมาหัดมารับรู้เรียนรู้นะเพื่อที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามก็เลยมีการพูดให้ฟังเพื่อให้นะรู้จักรู้จำมาไว้ก่อน พอเราลงมือกระทํมก็จะรู้แจ้งรู้จริงเมื่อเราทำไปเรื่อยๆให้เวลากับตัวเองเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันก็จะต้องจบเป็นเหมือนกันถ้าทำถูกเดินถูกทิศถูกทางองค์สมเด็จสัมมาเจ้าค้นหาไว้ให้หกปีทำวิจัยออกวิจัยจนค้นพบเรียนวิญญาตรีวิญญาโท ตีไปสู่โทก็สองปีจากอนุบาลจากปถมมาถึงบรญญาตีถ้าเป็นสายทั่วไปน่ไม่ใช่แพทย์ก็ประมาณ1ิบหกปีสิบเจ็ดปีแต่ท้ายสุดก็ยังทุกข์อยู่ยัง ม, มีปัญหาอยู่มีความโลภความโกรธความหลงกินบ้านโกงเมืองประเทศไทยถ้าไม่มีการคอร์รัปชันต้องต่งเนือจะลดใต้เนี่ย ถนนลอยลอยปูได้แผ่นทองคำรอยลอยได้เหรียญทองได้หมดานะะเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดนะแต่ท้ายสุดดยความที่ธรรมะมันไม่เจริญตีกันทั้งบ้านทั้งเมืองสีนั้นสีนี้สีน้นคุณธรรมต่างๆก็ไม่มีเอามาใช้ไม่ได้ไม่ปรากฏเราก็เลยเข้าถึงภาคปฏิบัติตัตรงๆดีกว่า เนี่ยนะอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้พวกเรากลุ่มปอโทก็มีเวลาอยู่อีกนี่ยนเวลาต่อยหลังได้เลยตอนนี้พอจกประมาณตอนบ่ายโมงเราก็จะได้กลับก็อย่าคิดว่าจะได้กลับนะให้คิดว่าเพิ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งมาถึงจะเริ่มต้นอบรมกันวันนี้ พอเราคิดว่าเราจะกลับในีจิตมันจะดีใจมากเลยกิเลสมนจะคึกคักแต่เราคิดว่าเพิ่งมาถึงเนี่ยหนึ่งความเกงใจก็ยังจะอยู่ไม่แก่วัดถ้าแก่วัดปับ๊บมันจะมีอาการที่แตกต่างจากวันแรกที่มาก็าแสดงว่าขาดสติแล้วอัตตาตัวตนของคนมันแสดงออกาล้ นี่คือการอบรมไม่มีความสําเร็จเพราะฉะนั้นให้ยังเคลื่อนไหวอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทุกๆตารางนิ้วทุกๆนะพื้นที่ของวัดป่าสุตให้เป็นการจเจริญสติปัฏฐานมันไม่ต้องมีใครมานั่งเป้านะจะเดินอยู่ตรงไหนก็ตามในวัดเนี้ให้มีสติเพราะคนที่มีสติมันจะมีลักษณะของ การใช้ชีวิตด้วยปัญญาไม่ให้เกิดปัญหาสับสน <S <S วุ่นวายอย่ <S <S างเช่นการอนุตาวันนี้เราได้ออมาใช้ไหมการญนุตาเรื่องเวลาฐานะฐานะเวลาไหนก็ประชุมกันเวลาไหนรวมตัวกันเวลาไหนไอนกมาใช้หรือไม่ <S <S <ช>อันนั้น <S <S บอกถึงความสำเร็จในการอบรม อะไรก็ตามถ้าเรเม่น้อมก็มาปฏิบัติ <Yeah. S 1> ฟางไปร้อยพันแสนหมื่นล้านอะไรก็แล้วแต่เถอะ <Yeah. S 1> แต่ว่าแม่ว ม, มาทําก็มีประโยชน์แหละว <Yeah. S 1> ันที่นี้เป็นภาคปฏิบัติการ <Yeah. S 1> และให้ปฏิบัติโดยการที่คุณต้องมีหัวใจนะของชาวพุทธมีหัวใจ ที่มีความจริงใจต่อตัวเองรักตัวเองปฏิบัติธรรมนิ่งจะรักตัวเองเนี่ยขณะปฏิบัติเห็นตัวเองเป็นก้อนทุกข์นั่งน้ำตาไหลเลยนะโยมสงสารตัวเองมันเห็นกายเนะ่ยสงสารกายแล้วเราจะไปเอาเล่ามาใส่ให้มันอบุรี่มาใส่ให้มันทําไมแค่นี้มันก็พริบตาหายใจก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วนั่งเดินยือนนอนก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วเพราะนั้นมันไม่เอาหรอกนะ ถึงเวลากินก็ไปกินแมวหลง ก, ก็ต้องหามาให้ร่างกายมันกินอย่างเงี้ยจิตใจนะตัวมันเองก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วยังไปคิดนะให้โลภให้โกรธให้หลงให้รักให้ชัง่างเงี้ยเราก็มาจะเอาขยะนะจากไหนมันเป็นพิษเป็นภัยใส่ให้มันเป็นอาหารที่เป็นโทษนะอาหารกายก็เป็นโทษกินอ้วนใหญ่มันไก่หมูขึ้นตาโชช่างขายไม่มีค่าเลยเลย อาหารใจก็เหมือนกันมนโนสันเจตนาอาหารเราก็ไม่ค่อยเข้าใจกั น, นก็ปล่อยจิตไปใจพุ่งทยานออกไปเสร็จแล้วก็เลอะเทอะเป็นบนทินเครื่องเศร้าหมองทําให้เวลาที่มันแก่ตัวไปในอนาคตหรือปัจจุบันนี้ก็ตามมันไม่สู่สภาวะปกติของจิตไม่คืนสู่ธรรมชาติของจิตเดิมแท้ที่ประพัดสอนตรงใสนะ อันนี้ก็น่าเสียดายเราก็พูดให้ฟังพูดให้เป็นจนประกอบสาหรับวันนี้ในเวลาที่เหลืออยู่เราจะได้ตั้งใจใส่ใจที่จะฝึกหัดปฏิบัติกันเท่าที่จะทำได้อย่างนั้นนะเราเห็นว่าสมคนแก่เวลาเรากลาบาพร้อมกัน